วันนี้ก็เป็นวันที่สองขอเดือนเมสายนไปคุยกันนดีเมะอวานนี้ได้พูดผลาดทิง้งท่าที่อ่านฮะวันนี้ต่อดีไหมดีนะเอาไว้ก่อนเลยกันการปฏิบัติธรรมาาขอทุกคนจงอย่าลืมความตายเข้าใจั้มเราลืมหรือไม่ลืมมันก็ต้องตาย ถ้าคิดความตายไว้เสมอพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนที่มีความไม่ประมาท ถ, ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตจิตคิตสร้างความดีไว้เรื่อยๆท้ายที่สุดถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเรวที่สุดก็เป็นเทวดาทีนางฟ้าอย่างกลางก็เปพุทมโลกอย่างดีที่สุดก็ไปไนิพพานเพราะาคำว่าตายกับกายชตาโนสติ ถาสักเรีวยกว่าคําว่าตายมันตรงนี้มีความหมายว่าเราก็นึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ตายอันดับแรกให้คิดว่าการที่จะเจริอกรรมฐานเพราะว่าเราไม่ต้องการความเกิดไม่เกิดไม่แสบไม่ป่วยไม่ตายต่อไปอีกอันดับแรกนะอันเป็นการที่สองญาติโยมที่มาใหม่ ให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้จึงมีความสำคัญมากสมาธิจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวอยู่ที่อนาปานุสติกรรมฐานก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานนี่ในกรรมฐานน้ำไก่สังขารหรือรังอภิสกเวชนาก็ตัวอย่างไม่ยากเมื่อปลายเดือนที่แล้ว เขาฉีดสีเข้าไปที่ปอดเขาบอกมันปวดพอก็เริ่มฉีดทั้งจากอนาปานสติหลับไปเลยมันปวดหรือไม่ปวดไม่รู้ใช่ไหถ้าเราใช้กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเขาว่าอนาปาเป็นสภาษาบาลีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิเพราะว่าคำว่าสมาธิแปลความตั้งใจ ตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าจิตอยู่ในจุดนั้นก็ถือเป็นสมาธิต่อมาก็ใช้คำภาวนาคำภาวลานี้ไม่จำกัดจะย่าโยมพุทธบริษัทที่ไปเคยปฏิัติมาก่อนให้ใช้ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธง่ายดีฮะง่ายดีและมีอริสงมาก พูดการเบื้องต้นนะจะเริยนว่าคำว่าสมาธิคือการตั้งใจวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระสีอานหน่อยเอาแลหน่อยเดียวนะสักสองชั่วโมงครึ่งดีไหมพระสีอานท่านบอกว่าคนต้องการจะเกิดทำสมัยท่านให้ปฏิบัติในชิ้นห้าระบบสิบคบตวนชิ้นห้าด้วยนะก็บทสิบด้วย เราเก่ง น, น้อยคนดียวหาเพื่อนคุยไม่ได้เขาคือไปหาพระที่บ้านบ้านใหม่นะบ้านที่สร้างไว้นานแล้วนั่มันบรรยากาศอยู่พอจะไปอยู่เขาจริงๆเศษติดใช่ไหมไปหาพระท่านก็คือกับท่านท่านก็นบอกว่าอยากจะพบพระศรีอานไหมเขา อ, อยากพบท่านก็เรียกพระศรีอ่านมาเพราะฉะนั้นพระศีอานอาตารโบติสวยมาก เรระดับแปบรเปล่าแปรเปล่ามากหลายสีก็ถามท่าบอกว่าทําไมจไึงให้ทําสีขาวสีใสยอย่างเดียวท่านบอกว่าจะ ไ, ไม่จะได้ไม่เกิดกิเลสในสีบางคนกระชอบสีนั้นบางกระชอบสีนี้เลความเพียงปฏิบัติเพื่อรางวันบังลุกมรรพบท่านบอกไม่ต้องการสีได้สีใสอย่างเดียวอันนี้ต่อมาก็ถามท่านบอกว่าทําไมจึงแนะนําคนแค่ชั้นห้ากระหมดสุด เธอก็บอกว่าสิ้นห้าก็ดีกับดทสิกวดีมางลงกันแรกไปสิเบ็ดข้อมีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งไม่ข้าชัดสองไม่ลักชัดสามไม่พษษษูดถึงนาการทางกายนะต่อสิ้นห้านิดหนึ่งคือไม่ดื่ธุราจะมีอะไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดขำหยาบไม่สอดสินก็แตกแล้วกัน ให้พูดวาจาเพื่อจะเดี๋ยวไหลถห้บอกสองตอนในทั้งทางกายก็ดีวาจาก็ดีเป็นพื้นฐานของสวรรค์กับสัมมาโลกเขาจะไม่ตระแก่ถจะทันได้สองอย่างก็ไม่เกิดบนสวรรค์เกิดในสัมมาโลกทางนี้เขาอะไรเบาว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อจะละจริงจริงละการไม่ฆ่าสัตว์ละการละการไม่ลักทรัพย์ละการไม่พฤติกรรม ละความไม่ดึงดูดอะไรละเลยนะเมื่ก็ตั้งใจไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดต่อเสียไปพูดเพรเจรอเทาไหลให้ตัวตั้งใจไว้เนี่ยจะไม่ละเมิดมันเป็นสมาธิถ้าสมาธิยังอ่อนเราก็จะเกิด็นสวรรค์ <c oughs> ถ้าสมาธิเข้มข้นเราก็ เ, เกิดเป็นสมมาโลกที่มาทางจิตใจสามข้อ เพรที่ิหนึ่งอภิชาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทำตัวนี้มันตัวตัดโลภความโรธโดยตรงยับยั้งความโลภตัดรากเหง้าของกิเลสสองไม่ผูกโกรธใม่เหยยบาท <c oughs> ไม่จองล้างไม่จองสาย ใ, ใครโกรธแล้วก็โกรธไปความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองสาย ใ, ใครแล้วก็แล้วกัวกนไป ก็ดีสามสมา ท, ทิิมีความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่มันสุดท้ายนะยากไหมก็หปาถึงว่าถ้าทราละไม่คิดความถึงความโลกไม่ตั้งใจ โ, โ, รโกรธแลไม่ตั้งใจฝ่าฝืนคำสอนพพุทธเจ้าอย่างอ่อนก่อนอย่างนี้ก็เป็นพื่นงหายของพระหลัน ก็เรื่องกำหนดสิทธินี่เป็นพื้นฐายที่ไม่ผ่านนักศึกษาีอานจะต้องการแค่สองอย่างจยลืมนะอันดับแรกใหม่ๆขอไปการก็าค่อยยักยัง้งมันจะเลิกทีเดียวาไม่ได้แน่นอนอยู่ๆเราก็จะไม่คายกาดบ้างไม่รักคัด บ, บ้างไม่สุขในกายบ้างไม่ดึงดูามีอะไรบ้างแต่ทุกคนทำมีสิงอยู่แล้ว แล้วยังมีครบไม่ครบไม่ทรา บ, บนะชิ้ต้องมีห้าข้อมันไม่ขาดหมดใะ่ไหมเจ้าแก่คนทุกคนมันมีอยู่แล้วไม่ข้อหนึ่งก็หมองสองข้อหมองสามข้อมองเพีขาเหลืออยู่นะไอ้ที่จะไม่เคยเหลือคือโกหกมีข้อในหลุดง่ายหน่อยนะถ้ามันใช้กาวติด <c oughs> นั่นก็มีบทสั่งบางข้อนี่พื้นฐานจริงๆที่เราจะรักษาชิ้นได้ เมื่อเราสายระบบจิตได้ก็มีคุณสมบัติสองอย่างพวบคู่กันคือมันหนึ่งเมตตาความรักสองก็นาความสงสารเราคิดรักชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เหมือนกับรักตัวเองสงสารตัวเองทั้งนี้เพราะอะไรก็ราะกายฆ่าสัตว์จะมีจิตใจโหดร้ายเป็นการสร้างศัตรูในเมื่อเรามีศัตรูเราก็ไม่มีความสุข เขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเมื่อข้อดีสองทรัพย์สินต่างๆของใครที่หามาได้ต่างเขาหลงเข็นราหวังความสุขจากทรัพย์สินนั้นเมื่อเราไปรักไปขโมยเขาเขาก็ไม่ชอบใจเราแล้วก็สมบัติต่างๆเหล่านั้นที่เราได้มาเราไปคอยโกงเขาบ้างแล้วกรโมยเขาบ้างมันก็ไม่คุ้มความแก่มันการแก่ไม่ได้การความป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ การกันากนารทัดท่าจากควารักความชอาใจไม่ได้กันความตายไม่ได้ถ้ามาทําไมชิงก็ดิบสามเจ้าชู้มากเกินไปเอาแค่พอดีพอดีนะยังมีคู่กองอเพียงแค่ห้าคนพอดีพอดีพอชิงเจ็ดคนก็ห้ามสลับผู้แทนมึงแสกมั้ย<ส>เ<ะ>ลยเจ็ดคนชิงก็ดิบสามสระงับได้ คนในปกครองของเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขเท่านี้ก็อเลยพราะว่ายุคหลานที่เกิดมาใหม่จะไม่เป็นคนดื้อด้านว่า น, นอนสอง่ายถ้าแล้วถึงข้อดีทได้ถ้าเกิดใหม่จะมีวาจาเป็นทิศถ้าละสิึงข้อดีห้าได้เกิดใหม่จะเป็นคนมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจือไม่เป็นโรคโปวดทีสะไม่เป็นโรคเรือนประสาทแล้วก็ไม่เป็นโรคบา้า ยิ่งเมื่อเราตั้งใจควบคุมกําลังใจของเราแบบนี้เมื่อเราจะมีเมตตาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์เม่พูดในกาไม่เดือดร้อนจะมีอะไรเราจะพูดแต่วาจาจริงพุดแต่วาจาไพเราะไม่จะไม่กล่าววาจาหยาบและก็ไม่กล่าววาจาส่อเสียเขาแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาเพ้อเจ้อเดอไหลการควบคุมกําลังใจอยู่ได้เพราะอาศัยสมาธิ ถ้าขาดสมาธิการควบใจก็คงไม่อยู่แต่ว่าใหม่ๆก็เผยบ้านของธรรมดานเมื่อ <c oughs> เ, เราค่อยๆยับยั้งม่ไม่ช้าก็ชินจะ ต, ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะเม <c oughs> ื่ออารมณ์ชินเกิดขึ้นคำว่าชินก็หมายความละจนชินไม่ต้องระวังขึ้่อว่ากายข้าสัตเป็นต้นไม่มีแน่นอน <c oughs> ถ้าจินแบบในเช้นเรียว่าฌานฌานก็คือความชินในเมื่อจิตเป็นฌานอย่างนี้ตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นฌมถ้าต่อมาถ้าหรับวทมนรกรรมข้อทิ่สามนโนรกรรมสามอย่างทางจิตใจเกิดมึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคนลอื่นโดยไม่ชอบทำนั่นหมายความว่าถ้าศีลห้ามสื่อเพียงมือนะ หินนั่ถ้าไม่รักหินไม่ขาดถ้ารักของเขาสิงขาดตอนนี้แต่ว่าใจมันอาจาจะจะรักก็ได้ใช่ไหยใจนี้ชอบใจว่าจะขอเผลที่เอาเพื่หน่อยดีไหมถ้าจะหยิบของเขามาก็เกรงว่าสิ้นจะขาดเลยไม่หยิบยังไม่จะห้ามใจถ้ามาจังหมดจิต น, นี่ห้ามใจเลยเอาใจเข้าไปยับยั้งไหมก็เอาทิ้งที่ว่าทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมัน ทันนี้เปเลยว่าของเขาขายถ้าของเลือกขายเราอยากจะได้หาตัางไปซื้ออันนี้ไม่ห้ามข้อนี้นะไม่ไม่ถึงข้อนี้อาจจะเพียงว่าอยากจะรักเขาอยากจะละมยเขาเนี่ยไม่มีในจิตใจของเราเขาค อ, อ, อยยั่งตัวตเมา่อมาโมโนกรรมข้อที่สองความโกรธยังมีอยู่จะยัดยั่งความโกรธไว้ไม่จองรักไม่จองผลานข้อที่สักข้อที่สามสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกหมายควาะเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่เป็นสอนมาทั้งหมดที่อย่างอ่อนถ้าหากว่าทําได้อย่างอ่อนแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นประโสดาบันต้องเป็นประโสดาบันขั้นโกลังโก ล, โกละไม่ใช่สตักขตุงขังขนี่สองนะขั้นกลางประโสดาบันมีสามขั้นหนึเอกวิชี 4, สองโกลังโกละสามสตักตปุง ถ five, the ้ากระตุ้งในค่ารักษาสิบห้าบริสุทธิ์ถ้ารักษาก็หมดสิบบริสุทธิ์บ้างในบริสุทธิ์บ้างเพิ่มมานิดหน่อยในสึดก็บริสุทธิ์แต่ว่าต้องระวังอยนี้เป็นสตากระตุงถ้าเป็นเอก็ไปชีสมัยความวรักษาครบสิบครบถ้วนโดยไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังมันก็ไม่ได้เมิดอย่างนี้เป็นโสดาบันขันเองก็ไปชีมีบารมีสูงถ้าเกิดอีกเป็นคนอีกชาติเดียวก็ไนิพพาน แล้วเดืมาข้อที่สามทางจิตใจจิตใจจะเป็นเพื่อนถายเพราะพระอรหันนะกิเลสก็มีแค่สามตัวรากเงาจริงจ 1. งหนึ่งโลภความโลภสองโภกต่ความโกรธสามโมหะความหลงอันนี้เป็นรากเงาของกิเลสถ้าเราถอนรากถอยเงาได้จิเลสก็หมดไป เพื่อการจะถอนราวถอนเงาจริงจริงจังครั้งเดียวครั้งสองครั้งมันก็ไม่ไหวต้องค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆใช้สมาธิคือสติสัมปชัญญะถ้าไปนัดเราหวังว่าทรัพย์สมบัติของใครใครทัพอรักขึ้นจะนัดตระหนัตบัตินี้ไปต้นไปขึ้นชือการอยากได้ทรัพย์สมบัติใครไม่มีในจิตใจของเราความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองผายใคร อันนี้ค่างเข้มแข็งนะขั้นสุดท้ายสัมมาทิฏฐิเห็นอนริยสัจเห็นอริยสัจก็อะไรก้นหนึ่งอริยสัจมีสี่อย่างหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกสี่สาการปฏิบัติเพื่อความดับทุกนี่แค่เราเห็นจริงๆแค่ข้อเดียวคือทุกเท่านี้พอแล้วถ้าทุกคนเห็นทุกทุกคนก็ไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป เพราะโลกมนุษย์เป็นไปความทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การทรัพย์สินจะของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังขืนเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีต่อเราทุกชาติ เราไม่สามารถจะดีเรี่ยงมันได้เพรฉะนั้นในเมื่อเห็นทุกเนื้อเยืสัตว์ก็หาทางตัดทุกขคือหวังปัญญพาน์การหวังปัญญพันธ์เป็นยังไงเขาทาอย่างว่านะบูบูบพื้นฐายของพระสัชสีอ่านท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อสัจนาของท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อบรรลุมรควุนชาตินี้ด้วยมันเหมือนกันชาติชาตินี้เรามีความเข้มแข็งในระบบศิษย์ แล้วก็ไปอารา่าสนิชัดนี้ถ้าความเข้มแข็งยังไม่พอแล้วก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรบ้างคอยพระศิอา่านเกี่ยนโกพระศิริอนันตรัตตามธรรมดาพุทธเจ้าเทศเทวดานางฟ้ากับพรมได้ฟังมากกว่าคนเขามาฟังกันนะถ้าการบรรลุมากคนก็บรรลุมากกว่าคนเพราะเทวดานางฟ้าฤทธิ์พงศ์ีไม่มีงาน ไม่ห่วงการห่วงข้าเย็นเมื่อยหร่ห่วงข้าเย็นก็ไม่ห่วงหงเข้าเช้าก็ไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงเข้าช่วมเทวดาไม่มีสวมใครจะตายเปเทวดาเปนางฟ้าจาชี้เท่ดีนะที่ให้หมดท้องเดี๋ยวจะไปนั่งปวดอีกไม่หาสวมไม่ได้ก็เป็นว่าเทวดานางฟ้าทุกคนท่างนั้นมีกงวลเวลาฟังเทศกับฟังเทศทุกเจ้าเทศเรื่องอะไรทั้งก็ทราบ พระเจ้าเทเสดในรกเขาไม่ตาทิพย์เไม่ร่างกายไปงทีเขาเก็เห็นนรกพระเจ้าเทศสด็คนเป็นทุกข์มีอายุน้อยเขาก็มองเห็นเห็นตามนั้นพระเจ้าเทเทศ็จอย่างพรมเทวดาเขาก็ทราบพอมาก็อีกข้อเดียวพระเจ้าเจะเทศอนิพพานเขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขาก็สามารถอนุชาติได้เขาจะถอยหลงังใช่ขงเขาไปเอง ก่อนจะมาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นปวงเขามาจากไหนเขาก็ทราบแบบมาจากคนบ้างมาจากขัดตังค์ถ้าจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้นะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้นะยังโคศึกษุบุตรตายจากคนเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมนะแต่ถึงจะนึกว่าขัดจารย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ ในเมื่อศาสนาพระที่อา่านนั้นเกิดตังนกัดถ้าเราเป็นเดียดดาเป็นนางฟ้าจะดีกว่าเลย่เกิดเป็นคนเพราะไม่มีจงวนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงถามท่านแล้วท่านบอกว่าตามมนธรรมดาคนมีสีเหลาเงื่ออุคติตนอยู่มีบารมีเต็มและมีปัญญามากแนะนำเป็นแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจปโลกมรรผลสามารถเป็นพระอรหันต์ได้โคต ย, ย่ยอ อย่างที่พระเจ้าตรัสเรื่ารกะลิอว่ากะิผู้คนใดเห็นธรรมูกคนนั้นเชื่อสตถาคตเพียงแค่นี้สำหรัาหลากเลย <c oughs> สองวิติสปตังยู่มีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาอ่อนไปหน่อยให้แค่วข้ขอเยอะย่อไม่เข้าใจตอ้องอธิบายให้ฟังเพิ่มน้อยอย่างพยศพยศตั้งเพ่ครั้งแรกอหนปุปบุรสัพพิทาห้าข้อ พังจบเป็นะโสดาบันพอมาตอนสายพ่อไปตามผู้เจ้าเทศน์ซัำอีกครั้งหนึ่งทงังครั้งที่สองเป็นพระสารอย่างนี้ไี่ว่าที่ปฏิกันอยู่นะต่อไปก็เนยยะจงยมเยะนี่ก็หมายความว่าต้องสอนกันมากหน่อยถ้าสอนน้อยจะไม่เข้าใจนี่ก็มาเปรียบเทียบตอนที่พระพิพาที่อ่านตั้งัดแล้วบอกว่า การรักษาก็หมดจิบด้วยครบถ้วนทั้งวันปกติและวันพระพวกนี้เป็นปกติกันอยู่หมายความว่าพบท่านท่านเทศสั้นๆเมื่อกี้จะคุยกันนะเทศสั้นๆเพียงแค่ ข, อข้อจะมรุมกมรขผลทันทีต่อไปผู้รักษาวันปกติก็รักษาได้ดีวันพระก็รักษาได้ดีแต่บางทีก็บกพ่องบ้า ง, งเป็นนิดๆหน่อยๆตว่าระวังอยู่ยังต้องระวัง อย่างนี้เป็นพวกอันดับที่สองหมายความที่จะเพียงหัวข้อยังไม่เข้าใจชัดเพศทําครั้งที่สองจะเข้าใจชัดบรรลุอรรรณาต่อมาก็ะโพที่รักษากระหมดสิบวันปกติไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมเผลอเองบ้างตั้งใจหรือบ้างทั้งในตัวแกนะแต่ว่าวันพระรักษาได้ปกติเฉพาะบรรพระ กำหนดสิบกระสินห้านแน่นอนไม่ขาดไม่บกพร่องแต่วันปกติบกพร่องบ้างท่านบอกว่าพวกนี้พวกนยะตั้งสอนกันหลายครั้งจินจะได้มรุ막ผล ก, ก, ก็เป็นเว่าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธศาสนิกชนที่เราปฏิบัติการ น, นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหนดสิบก็จงอย่าคิดว่าจะไปนิพพานในศาสนาศาสาพิอ่านตั้งใจว่าเราจะต้องนิพพานในชาตินี้ แต่ถ้าบาังเอิญจริงๆมันไปไม่ไหวเมื่อทราบใจชาตินี้ก็ไปพบพระศรีอานแม่ตั้งใจให้แนวแน่ไว้สองอย่างคือหนึ่งต้องการนิพพานชาตินี้ถ้าว่าชาตินี้นิพพานไม่ได้ขอทำโดยสารศาสนาพระศรีาอานก็เป็นว่าจบดีไหมก็ ย, ยังไม่ดีก็เป็นว่าสอนแค่นี้ก็พอแล้วมั้ยนะ ที่ถานท่านบอกคนสมัยของท่าน่ะอายุมากไหมท่านบอกว่ามากถามว่ากี่หมื่นปีท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกว่าคนในสมัยของท่านนี่บอกคนสวยทุกคนคนรวยทุกคนคนมีความสุขทุกคนเกิดการทะเละวิวาดกันไม่มีท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้นไม่ใช่ทุกคนท่านหมายควาคนในขอบเขตของท่านแต่ลเอง ไอ้คนนอกเขตจะมีอยู่ใช่ไหมอย่างพวกปะทะัพประมะเนี่ยอย่างพวกปะทัพประมะเขาไม่เข้าเขตพุทธศาสนาเขาจงมีการรบราข้าวฟกันโดยเฉพาะคนในเขตของท่านเท่านั้นที่ท่านที่เป็นสาวกของท่านก็เป็นว่าทางกระดิษานท่านบอกว่าท่านจะมีอายุเท่าไหรท่านไม่ตอบ <c oughs> ท่านตอบพียงว่าผมเป็นหนุ่มเต็มที่คงว่าเป็นรุเป็นพระเจ้าแต่เต็มที่ของท่านมีนกี่ปีมาดูนะ ก็ไปโดนสบายอายุ 80,000 ปีหือยุ่งเลยเป็นเด็กได้ 20,000 ปีใช่ไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ 20,000 ปีเป็นคนวัยกลางคนแล้ว 20,000 um, ปีเป็นคนแก่ 20,000 ปีกงยุ่งหันแก่ไม่กี่ปียังแย่เลยหันแก่ไม่กี่ปียังแยกจะลุกไหวไหอยู่แล้วก็เป็นว่าขบันดาแยกโยมพระตัวจัดทุกคนคําว่าสมาธิแปรวการตั้งใจ ที่เราต้องนั่งภาวนากันนี่เป็นการเปการฝึกการหยับยับยั้งของใจแต่จริงๆแล้วจะต้องมีสมาธิจริงๆในระหว่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งภาวนาแค่รวมมันทรงตัวเราตั้งใจไว้เพื่ออะไรตั้งใจเพื่อสายกับหมดสิทธิก็ให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพยไม่เพื่อพฤตการมไม่ดุรา้ายไมไร้ย ไม่พูดกดไม่พูดําอยากไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจือเฉลยไม่อยากได้ทรัพย์สมัยของใครโดยไม่เข้าทำถ้าเราต้องการซื้อเขานี่เขาไม่ห้ามนะไม่ใช่คนนี้นะคือไม่อยากได้ทรัพของเขาโดยเจจะลักขโมยเขาไม่มีเรายังมีความโกรธยับยั้งเขามโกรธไม่จองล่างจองสายเขาเราจะมีความเห็นถูกสมาธิคือเห็นอริยสัจ เป็นทุกข์แห่งความเกิดทุกข์แหความแก่ทุกข์แห่งการทัดทายจของรักของชอบใจทุกข์แหการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์แห่งความตายจะเข้ามาถึงถ้าอย่างนี้แล้วทุกคนก็จิตก็ไม่อยากจะเกิดต่อไปสิ่งที่ต้องการจะเข้าได้ก็คือพระนิพพานอริยมรรคโยมพระโดยจักกันหลายขุดมาพูไ้ไปเมื่ก็หมดแรง ห, หมดแรงดไง่ายแค่นี้นะ ตอนไปเขาต้องคนตั้งใจสมาทานถึงสมาทานจกรรมฐาน